อุ მ ม, มัตกะสมมุติว่าด้วยการสมมุติภิกษุวิกลจริตข้อ167ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงประชุมกันสงมีกิจต้องทำเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ ภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ามีภิกษุวิกลจริตชื่อว่าคักค่าอยู่พระพุทธเจ้าค่าภิกษุคักค่านั้นมาไม่ได้พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุวิกลจริตนี้มีสองประเภทคือ 1. ภิกษุวิกจลจริตระลึกอุโบสถได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างระลึกสังฆกรรมได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างระลึกไม่ได้เลยบ้าง สองภิกษุวิกลจริตมาอุโบสถบ้างไม่มาบ้างมาสังฆกรรมบ้างไม่มาบ้างไม่มาเลยบ้างภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุวิกลจริตสองประเภทนั้นรูปใดที่ยังระลึกอุโบสถได้บ้างมาสังฆกรรมบ้างไม่มาบ้างภิกษุทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้อุ ม, มตกัส ม, มุดแก่ภิกษุวิกลจริตเห็นปานนั้น วิธีให้อุมาตกะสมมุติและกรรมวาจาให้อุมาตกะสมมตุติภิกษุทั้งหลายก็แลพึงให้อุมาตกะสมมุติอย่างนี้ภิกสูผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สมทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพระเจ้าภิกษขูข้าเป็นผู้วิกลจริตระลึกถึงอุโบสถได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างระลึกสังฆกรรมได้บ้างระลึกไม่ได้บ้าง มาอุโบสถบ้างไม่มาบ้างมาสังคกรรมบ้างไม่มาบ้างถ้าสงพร้อมกันแล้วสงเพิ่งให้อุมาตกะสมมติแก่ภิกษุคักคะผู้วิกลจริตคือภิกษุคักๆระลึกอุโบสถได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างระลึกสังคกรรมได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างมาอุโบสถบ้างไม่มาบ้างมาสังคกรรมบ้างไม่มาบ้างสงพร้อมภิกษุคักคะ หรือเว้นภิกษุคักคะทำอุโบสถก็ได้ทำสังฆกรรมก็ได้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุคักคาเป็นผู้วิกลจริตระลึกอุโบสถได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างระลึกสังฆกรรมได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างมาอุโบสถบ้างไม่มาบ้างมาสังฆกรรมบ้างไมมาบ้างถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึง ให้อุมาตกะสมมุติแก่ภิกษุคคะผู้วิกลจริตคือภิกษุคคะระลึกอุโบสถได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างระลึกสังฆกรรมได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างมาอุโบสถบ้างไม่มาบ้างมาสังฆกรรมบ้างไม่มาบ้างทรงพร้อมภิกษุคคะหรือเว้นภิกษุคคะทำอุโบสถก็ได้ทำสังฆกรรมก็ได้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้อุมาตกะสมมุติ แก่ภิกษุค้าคะผู้วิกลจริตท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอุมาตกะสมมุติสงฆ์ได้ให้แล้วแก่ภิกษุค้าค่ะผู้วิกลจริตคือภิกษุข้าค่ะระลึกอุโบสถได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างระลึกสังฆกรรมได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างมาอมุโบสถบ้างไม่มาบ้างมาสังฆกรรมบ้างไม่มาบ้างสงพร้อมภิกษุค้าค่ะ หรือเว้นภิกษุคะคะทำโอโบสถก็ได้ทำสังฆกรรมก็ได้ทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นปติอย่างนี้